พระพุทธเจ้าของพวกเราที่พวกเรากราบไหว้บูชาที่มีความเคารพเริ่มสายศรัท ธ, ธาในตัวพระพุทธเจ้านั้นก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นปุถุชนคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเหมือนกับพวกเราอยู่ แต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงเสด็จออกบวชและได้ทรงปฏิบัติพระองค์ก็ได้ตัดสรุเป็นพาาระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาคำว่าตัดสรุนี้หมายความว่าอย่างไรพระองค์ทรงรู้อะไรจึงทำให้พระองค์ เป็นพระอาหารหันต์ธรมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระองค์ทรงรู้นี้ไม่มีใครรู้มาก่อนเพราะว่าถ้ามีคนอื่นรู้มาก่อนก็จะมีพระพุทธเจ้าอยู่เต็มไปหมดในโลกนี้แต่ไม่มีใครรู้ในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงศึกษา ส่งค้นหาการดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายในสมัยนั้นไม่มีใครรู้น า, นานจะมีคนรู้อย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งถ้าใครรู้ก็จะเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักหนึ่งคนและระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตัดสรู้นี้ก็ห่างไกลกันมากเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันเป็นเวลาหลายแสนล้านนัานล้านปีทําที่พระองค์ทรงตัดสร่ง ที่ทรงทำให้พระองค์นี้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอริยสัจสีคือความจริงสี่ประการด้วยกันเรียกว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคหรือสัจ ธ, ธรรมสี่ประการ ทุกขสั์สมุทัยสั์นิโรธสัจและมรรคสั์นี่คือความรู้สี่ประการที่จะทำให้ผู้ที่รู้ความจริงอันนี้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแต่การรู้ทุกสมุทัยนิโรธมรรค เพียงอย่างเดียวนี้ยังเป็นเพียงการตัดสู้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะนอกจากรู้แล้วยังต้องปฏิบัติกิจในอริยสัจสี่ให้ครบบริบูรณ์ด้วยถึงจะสามารถหลุดพ้น <c oughs> จากความทุกข์ทั้งหลายได้เหมือนตอนนี้พวกเราก็ได้มารู้อริยสัจสี่กันแล้วพวกเรารู้ทุกข์สมุทยัยนิโรดมาก แต่เรายังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเกตในอริยสัจสี่ให้ครบสมบูรณ์นั่นเองถ้าเราอยากจะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องมาปฏิบัติเกตในอริยสัจสี่สี่ประการด้วยกัน ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาแล้วจึงทำให้พระองค์ได้ทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภารกิจสี่ประการในอริยศาสี่นี้มีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือ ทุกต้องกำหนดรู้ต้องกำหนดรู้ทุกต้องรู้จักทุกว่าคืออะไรพอองค์ทรงศึกษาแล้วก็ทรงค้นพบว่าทุกก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกาันนี่คือความทุกข์ทุกนี้จะต้องกำหนดรู้ คือต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายการพัดพรากจากกันเป็นทุกข์ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเพื่อที่จะได้ไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันอีกนั่นเองข้อที่สองคือสมุทัยต้องละ สมุทัยก็คือต้นเหตุของความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดที่ทําให้เราม า, มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคจากกันนี้เกิดจากสาเหตุอะไรพระองค์ก็ทรงค้นพบว่าเกิดจากตัณหาสามประการด้วยกันคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา กามตัณหาก็คือความอยากในกามคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆนี้เป็นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเหตุเหตุข้อที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากได้ลาบยศสรรเสริญ clic, grows, อยากได้ความสุขทางตาห yani Tokyo, ูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วก็มาพัดพราคจากสิ่งที่ได้มาและข้อที่สามคือเหตุของการมาเกิด ตัณหาชนิดที่สมนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาเช่นไม่อยากจะสูญเสียลาบยศสลรเสริญสุขที่ได้มาพอเสียก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะกลับมาหาใหม่อยากจะได้ใหม่ก็จะกลับมาเกิดใหม่ นี่คือตัณหาสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุที่ทำให้มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากกันเรเรียกว่าสมุทัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์มีสามประการคือกามะตตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็น วิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นถ้ามีตัณหาก็จะมีการเกิดแก่เจ็บตายจิดในข้อที่สองนี้ก็คือสมุทัยต้องละคือต้องหยุดต้องไม่ทำตามตัณหาเวลาเกิดความอยากในรูปเสียงจินรดก็ไม่ทำตามความอยากนั้น เวลาเกิดความอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ไม่ทําตามความอยากนั้นเวลาเกิดความอยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้ไม่ให้ได้อย่างนั้นไม่ให้ได้อย่างนี้ก็ต้องหยุดความอยากนั้นเช่นเดียวกันนี่คือภารกิจในอริยสัจสีทท่ข้อที่สองคือสบุทัยต้องละข้อที่หนึ่ง ทุกต้องกำหนดรู้ต้องรู้ตลอดเวลารู้แบบไม่ให้ลืมให้รู้ว่าถ้าเราเกิดนี้เราจะต้องทุกข์กันเพราะเมื่อเกิดแล้วเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายเราจะต้องพัดพราคจากกันข้อที่สามในกิจของอริยสัจก็คือนิโรธต้องทำให้แจ้ง โก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองหรือการสิ้นสุดของความทุกข์การดับของความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่านิโรธนิโรธนี้เราต้องทําให้แจ้งคือทําให้ปรากฏขึ้นมาทําให้ความทุกข์ทั้งหลายดับไปให้หมดทําให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์นิโรธนี้ต้องทําให้แจ้ง และข้อที่สี่มักคือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยมักแปลว่าทางทางที่จะพาไปสู่นิโรธการสิ้นสุดของความทุกข์นี้ต้องเจริญให้สมบูรณ์ต้องมีให้ครบบริบูรณ์ถึงจะสามารถดับความทุกข์ต่างๆหยุดสมุ ท, ทยัย ได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายหยุดความทุกข์ต่างๆได้ต้องใช้มรรคเป็นเครื่องมือการที่เราจ ะ, ะมีมรรคได้เราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาเราต้องศึกษาว่ามรรคคืออะไรมรรคก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองที่พระองค์ทรง รวมจะรวมจากมรรคที่มีองค์แปดมรรคที่มีองค์แปดก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปะคือความเห็นชอบความดำริชอบสมาธิก็คือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าส ม, มาธิศีลก็คือ สัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวนี่คือมรรคที่เรียกว่ามรรคที่มีองค์แปดหรือมีองค์สามองค์สามก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คือมรรคที่เราจะต้องเจริญกันให้สมบูรณ์ต้องมีศีลที่สมบูรณ์ต้องมีสมาธิที่สมบูรณ์ และมีปัญญาที่สมบูรณ์ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะสามารถละสมุ ท, ทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ได้เราจะสามารถกําหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่เลืมว่าการเกิดคือการ คือการไปหาความทุกข์การมาเกิดก็คือการมาหาความทุกข์เกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันไม่มีใครอยากจะแก่กันไม่มีใครอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครอยากจะตายไม่มีใครอยากจะพัดพรากจากกันความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย นี่เป็นสมุทัยที่เราต้องละเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่มีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วก็ต้องละความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะและความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขต่างๆจากร่างกาย เพราะถ้าเรามีความอยากเราก็จะกลับมาเกิดอีกนั่นเองกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพลากจากกันแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรามีวิภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลากจากกันถ้าเรามีมรรคคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราจะ รู้ตลอดเวลาว่าทุกข์คือการเกิดทุกข์ก็คือการแก่การเจ็บการตายการพัดผ่าจากกันแล้วจะรู้ว่าเหตุที่ทำให้เรามาเกิดก็คือกามะตัญหาภวะตันหาและวิภาวะตัญหาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะเกิดแก่เจ็บตายเราก็ต้องละกามะตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา ทุกครั้งที่เราอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องห้ามใจไม่ให้เสพทุกครั้งที่เราอยากได้ลาบยศสารเสริญเราก็ต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากได้ทุกครั้งที่เราเกิดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่สูญเสียลาบยศสารเสริญไม่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็ต้องห้ามใจต้องปล่อยวางทุกอย่าง ให้เขาเป็นไปาตามกฎของธรรมชาติคือกฎของปลายรักคือสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงของทุกอย่างที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นของชั่วคราวเป็นไม่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เจ้าของแท้เจ้าของแท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟเพราะของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเช่นร่างกายของเรานะอันต่อไปก็จะต้องแยกสลายบุบสลายไปดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันมาก่อตั้งร่างกาย ก็จะแยกทางกันพอแยกทางกันร่างกายนี้ก็จะหายไปพอส่วนที่เป็นน้ำก็จะแยกออกไปส่วนที่เป็นนมก็จะแยกออกไปส่วนที่เป็นไฟก็จะแยกออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินร่างกายก็จะหายไปบุคคลที่เป็นร่างกายเหล่านั้นก็หายไป เป็นนายกนายขอเป็นนางง่านางจอเป็นอะไรก็เป็นเพียงสมมุตินั่นเองความจริงเป็นเพียงดินน้ำนมไฟคือร่างกายอันนี้ส่วนใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายอันนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่มาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายถ้ายังไม่ได้ ตัดสรู้ยังไม่ได้พบอริยสัจว์่ยังไม่ได้ทำภารกิจในอริยสัจสี่ให้สมบูรณ์คือไม่ได้กาหนดรู้ทุกไม่ได้ละสมุทัยไม่ได้ทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้ไม่ได้เจริญมรรคให้สมบูรณ์ก็ยังจะต้องไปเกิดต่อไปอเพราะยังมีสมุทัยที่เป็นต้นเหตุของการเกิด ที่ยังไม่ได้รับการชําระจากการเจริญมรรคดังนั้นใจที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงต้องมาปฏิบัติภารกิจของอริยสัจสี่ให้ครบทั้งสี่ข้อเริ่มต้นที่ข้อที่สี่เพราะข้อที่สี่นี้จะเป็น เครื่องมือที่จะไปกำหนดรู้ทุกข์เป็นเครื่องมือที่จะไปละสมุทัยเป็นเครื่องมือที่จะไปทำนิโรธให้แจ้งกำหนดทุกข์ก็ต้องกำหนดทุกข์ด้วยสติปัญญาละสมุทัยก็ต้องละด้วยสติปัญญาทำนิโรธให้แจ้งก็ต้องทำด้วยสติปัญญาทำด้วยมรรค สติปัญญาก็ต้องมีสมาธิมีศีลเป็นผู้สร้างขึ้นมาถ้ายังไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็ยังไม่สามารถมีสติมีปัญญาได้ต้องอาศัยอาศัยศีลอาศัยสมาธิถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาพอมีปัญญาก็จะสามารถกำหนดรู้ทุกได้ตลอดเวลา รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายเป็นทุกข์การพัดพาาจากการเป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องละสมุทัยคือการมตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาถ้าละได้ก็จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาทำให้นิโรธแจ้งได้นิโรธเกิดขึ้นจากการละ สมูไทยทั้งสามาละตันหาทั้งสามละสมุไทยถ้าละสมุไทยละตันหาทั้งสามได้นิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาเต็มที่ถ้ารับถ้าละได้บางส่วนนิโรธก็จะเกิดขึ้นมาบางส่วนยังไม่เกิดสมบูรณ์อย่างขั้นที่หนึ่งของพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันทานกะละนิโรธอันทันละ สมุทัยคือตันหาได้บางส่วนท่านก็เลยได้สัมผัสกับนิโรธบางส่วนแต่ยังมีส่วนอื่นที่ท่านยังไม่ได้ละท่านก็ต้องเจริญมรรคต่อไปเพื่อให้ละสมุทัยที่ยังมีอยู่ภายในใจพอละได้ก็จะได้นิโรธเพิ่มขึ้นมาจากขั้นที่หนึ่งก็ไปสู่ขั้นที่สองขั้นพระสะกิดาคามี จากขั้นพระสกิดาคามีก็ไปสู่ขั้นพระอนาคามีจากขั้นพระอนาคามีก็ไปสู่ขั้นพระอาหารหันต์พอละสมุทัยได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสามประการละกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาได้หมดนิโรดก็จะปรากฏเต็มที่คือการสิ้นสุดของความทุกข์ การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นก็จะสมบูรณ์ถ้าเป็นพาาระอรหันต์นี้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์พระอนาคามีนี้ยังติดอยู่ที่สวรรค์ชั้นพรหมส่วนพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี้ยังติดอยู่ในกามาภพยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสำหรับพระโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาติ สำหรับพระสกิดาคามีก็เพียงชาติเดียวสำหรับพระอนาคามีก็ต้องไปเกิดในพรหมโลกส่วนพระอาหารหันต์นี้ไม่ต้องกลับมาเกิดในไตรพภพแล้วหลุดพ้นออกจากตายภพอย่างสมบูรณ์เพราะมรรคได้เจริญอย่างสมบูรณ์ศิล ส, สมาธิปัญญามีอย่างครบถ้วนบริบูรณ์จึงทําให้สามารถกาหนดรู้ทุกข์ได้ตลอดเวลา รู้ทุกเวลาที่เกิดสมุทยัยรู้ว่าทุกเกิดขึ้นทันทีรู้ว่านี่คือสมุทัยที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะละสมุทัยนั้นทันทีถึงแม้ว่าจะไม่เคยพบเคยรู้มาก่อนว่าเป็นสมุทยัยแต่ถ้ามีมรรคจะรู้ทันทีเพราะเวลาสมุทัยแสดงตัวนี้ใจจะกระเพื่อมใจจะทุกข์ขึ้นมาทันที ใจจะไปเกิดทันทีนี่คือภารกิจในอริยาาสัจสภารกิจที่เราต้องมาทำกันตอนนี้ก็คือการเจริญมรรคให้สมบูรณ์เพราะถ้าเราไม่มีมรรคเราจะไม่สามารถไปกำหนดรู้ทุกข์ได้เราจะไม่รู้ว่าเราทุกข์กันเวลาเกิดสมุ ท, ทยัยเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการมาเกิด แล้าเราก็จะไม่สามารถทานิโรธคือการดับของความทุกข์ให้แจ้งได้เราต้องมีมรรคกัน น, นี่คือกิจในอริยาสาัจสีกิจที่สำคัญแลอกิจกิจที่เราต้องทำในเบื้องต้นก็คือเจริญมรรคกันก่อนเพราะว่าเราต้องใช้มรรคนี้ไปกำหนดรู้ทุกข์ถ้าเรามีมรรคแล้วเราจะรู้เวลาใจเราทุกข์ เราจะรู้ว่ามันความทุกข์ของใจเรานี้เกิดจากตัณหาความอยากไม่ได้เกิดจากอะไรนตอนนี้พวกเราเวลาทุกข์กันแทนที่เราจะว่าเป็นเกิดจากความอยากของเราเรากลับไปโทษคนอื่นโทษคนนั้นคนนี้ที่ไม่ทําตามความอยากของเราว่าทําให้เราทุกข์เช่นโทษสามีโทษภรรยาว่าไม่เอาใจเราเอไม่รักเรา ไม่ดูแลเราแล้วเราก็ไปโทษเขาความจริงความทุกข์ของเราไม่ได้เกิดจากการที่เขาไม่ได้รักเราหรือไม่ได้ดูแลเราแต่มันเกิดจากความอยากของเราอยากให้เขารักเราอยากให้เขาดูแลเราเพราะเขาไม่รักเราเขาไม่ดูแลเราเราก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธินี้เราจะไม่รู้เวลาเราทุก กับสามีเราก็ไปโทษเขาแทนที่จะมาโทษความอยากของเราเพราะเราไม่มีมรรคเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจะมองไม่เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองแล้วเราก็จะไปแก้ปัญหาผิดจุดแทนที่จะมาละสมุ ท, ทยัยละตัณหาเราก็พยายามที่จะไปทำให้สามีเขารักเราบางทีเราก็ไป คึ่งคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวพวกหูหนวกตาบอดให้เขาทำสเสน่ห์ยาอะไรต่างๆให้เราะคิดว่าจะสามารถทาให้สามีเขารักเราได้แทนที่เราจะมาแก้ความทุกข์ของเราด้วยการหยุดความอยากให้เขารักเราเขาไม่รักเราก็เรื่องของเขาเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รักเราเราไม่เห็นเดือดร้อนเลยทาไมพอเรามารู้จักเขามาอยู่กับเขาแล้ว เพราะเขาไม่รักเราขึ้นมาเราถึงเดือดร้อนขึ้นมาก็เพราะความอยากของเรานี้เองถ้าเราหยุดความอยากได้เสียอย่างเดียวเขาจะรักเราหรือไม่รักเราก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะเราจะละต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากให้เขารักเรานี้เองอแต่เราไม่มีเครื่องมือที่จะเห็นความจริงอันนี้ เราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราจรึงมองไม่เห็นความทุกข์ใจของเราว่าเกิดจากตัณหาของเราเองเกิดจากกาม m ตัณหาเกิดจากภวะตัณหาเกิดจากวิภวะตัณหาของเราแต่ถ้าเรามาเจริญมรรคกันให้สมบูรณ์มาสร้างศีลกันให้สมบูรณ์ะ ตอนต้นก็เริ่มที่ศีลห้าปไปก่อนถ้ายังไม่มีศีลห้าก็รักษาศีลห้ากันไปก่อนพอรักษาศีลห้าได้ก็มาเพิ่มเป็นศีลแปดรักษาศีลแปดไปตอนต้นอาจจะเอาแค่วันละครหนึ่งก่อนวันที่เราสะดวกรักษาศีลแปดได้เช่นวันหยุดทำงานออก็รักษาศีลแปดไป พอเรารักษาศีลแปดได้เราเห็นานิสงของการรักษาศีลว่าทำให้ใจของเราสงบมีสมาธิได้ง่ายทำให้เรามีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบแล้วทำให้เราเห็นเวลาที่เราทุกนี้มันเกิดจากความอยากของเราเองมันก็จะทาให้เราอยากจะถือศีลแปดอยากจะ จเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้มากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันปฏิบัติศีลแปดให้มากขึ้นจากอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วต่อไปอาจจะปฏิบัติมันทุกวันเลยเพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาว่าทําให้ใจของเรานี่ ทุกน้อยลงเพราะเราจะรู้ทันความทุกข์เวลาใจเราทุกข์นี่เราจะรู้ทันทีว่าเกิดจากสมุ ท, ทยัยคือตัณหาของเราเองเกิดจากกามตัณหาของเราเกิดจากภาวะตัณหาของเราเกิดจากวิภาวะตัณหาของเราพอเราหยุดกามตัณหาภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาได้ปั๊บความทุกข์ก็หายไป เราไม่ต้องไปแก้วความทุกข์ด้วยการไปหาเงินหาทองหาคนนั่นคนนี้หาสิ่งนั่นสิ่งนี้มาแก้วความทุกข์ของเราเพราะเราได้พบกับต้นเหตุของความทุกข์ว่ามันอยู่ที่ความอยากของเรานี่เองและเราได้มีเครื่องมือที่จะมาละความอยากก็คือเรามีมากกันเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญากันเราก็เลยไม่ต้องไปแก้ปัญหาแบบเดิม เมื่อก่อนเราทุกถ้าเราเหงาเราก็ไปหาแฟนกันเพราะคิดว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้ว เ, เหงาถ้ามีแฟนนั้นเราจะหายเหงาเราก็ไปแก้ที่ข้างนอกไปหาแฟนกันแต่แทนที่จะดับความทุกข์แฟนกลับมาสร้างความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเมื่อก่อนอยู่คนเดียวไม่มีความทุกข์กับแฟนพอได้แฟนนะั้นทีนี้ต้องมาทุกข์กับแฟนอีกนี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับทุกข์ การทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์แต่เป็นการเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีมักจึงไม่รู้ว่าเวลาที่ตนเองทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของตนเองก็เลยไปแก้ปัญหาด้วยความหลงหลงผิดคิดว่าเวลาเราอยู่คนเดียวเหงา ถ้ามีคู่มีแฟนจะทําให้ได้เราหายเหงาเราก็หายเหงาหายไปแต่ความวุ่นวายก็มาแทนที่เพราะอยู่กับแฟนเดี๋ยวก็ต้องวุ่นกับแฟนเดี๋ยวแฟนจะเอาอย่างนั้นแฟนจะเอาอย่างนี้พอเราไม่ทําตามที่เขาอยากใช้เราทําเขาก็โกรธเราขึ้นมาความทุกข์ที่เราได้จากเขาก็เลยกิดความสุขที่เราได้จากเขาก็เลยกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา พอต้องมาทะเลาะวิวาทกันหรือเวลาที่เขาจากเราไปความสุขที่เราได้จากเขาก็หายไปความทุกข์ความว้าเหวก็กลับมาเหมือนเดิมจึงไม่ใช่เป็นวิธีแก้วความทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุของความทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ที่การไม่การที่ไม่มีแฟนไม่มีคู่ครอง ต้นเหตุของความทุกข์คือการอยากมีแฟนอยากมีคู่ครองต่างหาแต่เราจะไม่รู้ถ้าเราไม่มีมรรคถ้าเราไม่มีศีลสมาธิปัญญาเราจะไม่รู้ว่าเวลาที่เราทุกข์ใจนี้มันเกิดจากการรมตัณหาหรือเกิดจากภาวะตัณหาหรือเกิดจากวิภาวะตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราได้มาเจริญศีลสมาธิปัญญาแล้ว เวลาเราเกิดความทุกข์ใจนี้เราจะเห็นเลยว่าเกิดจากความอยากของเราพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีนะวิธีที่จะดับความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากนั้นพอเราหยุดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจที่ทุกข์ก็จะหายไปทันทีใจก็จะสงบอนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเอ นี่การที่เราจะทำภารกิจในอริยสัจ ส, สี่ให้ครบสมบูรณ์ทั้งทั้งสี่ประการนี้ต้องเริ่มต้นที่การเจริญมรรคให้สมบูรณ์เมื่อเราจเจริญมรรคได้สมบูรณ์แล้วเราก็จะกำหนดรู้ทุกได้ตลอดเวลาทุกครั้งที่ใจทุกเราจะรู้ว่าเรากำลังทุกและเราก็จะรู้ว่าเกิดจากปัญหาความอยากของเราเอง ถ้าเราต้องการจะดับความทุกข์เราก็หยุดตัณหาความอยากนั้นเท่านั้นเองพอเราหยุดตัณหาความอยากนั้นด้วยมรรคนิโรธก็จะปรากฏขึ้นมาการดับของความทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีใจจะพ้นจากทุกข์ทันทีพ้นด้วยมรรคนี่คือภารกิจสี่ประการที่สำคัญที่สุดหรือที่ ที่ต้องเริ่มต้นก็คือการมาเจริมมัค ก, กันเพราะมัคนี่จะเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทำภารกิจในข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามคือข้อที่หนึ่งทุกต้องกาหนดรู้ข้อที่สองสมุทัยต้องละนิโรธข้อที่สามนิโรธต้องทำให้แจ้งข้อที่สี่มัคต้องเจริญให้สมบูรณ์ เพรนเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันจึงกลับตระปตดกันเราไม่ได้ไปเริ่มภารกิจที่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามแต่เราจะมาเริ่มภารกิจที่ข้อที่สี่กันคือเรามาเจริญมรรคกันตอนนี้เรามากำลังมาเจริญมรรคก่อนที่เราจะเจริญมรรคได้เราก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาให้รู้ว่าการเจริญมรรคนี้จเจริญอย่างไรมรรคนี้มีอะไรบ้าง มากก็คือศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสมาธิก็คือสัมมาวาจาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจารวมกันก็เป็นแปดองค์ด้วยกันแต่ถ้าแยกกลุ่มก็เป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร กลุ่มที่สองก็คือสมาธิสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิกลุ่มที่สก็คือศีลได้แก่สัมมากรรมโตสัมมาวาจาและสัมมาอาชีวนี่คือมรรคที่พวกเราต้องมาเจริญกันอย่างที่ได้แสดงไว้เจริญการตามกําลังขั้นต้นก็เจริญจากน้อยไปหามาก ถ้าเรายังไม่มีศีลเลยก็ okay. ลองรักษาสักข้อหนึ่งก่อนยังไม่มีศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเราจะรักษาทีเดียวห้าข้อถ้ายังไม่ไหวก็เอาข้อหนึ่งก่อนข้อไหนก็ได้ในห้ข้อนี้เลิกดื่มสุรายาเมาได้ไหมเลิกดื่มสุราก่อนพอเลิกดื่มสุราได้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเลิกข้ออื่นๆได้ถ้ายังเลิกดื่มสุราไม่ได้นี้จะยาก เพราะเวลาเดิมสุราแล้วจะมึนเมาจะไม่มีสติพอที่จะหักห้ามจิตใจไม่ให้ทําบาปได้นั่นเองนั้นข้อที่หนึ่งในการปฏิบัติศีลก็คือต้องหยุดสุรายาเมากันอย่าเดิมสุรายาเมาหรือของมึนเมาต่างๆที่ทําให้เราขาดสติที่ทําให้เราไม่สามารถยับยัง้งการกระทําบาปข้ออื่นได้ถ้าเรามี ถ้าเรามีสติเราไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพยาเสพติดที่ทําให้เรามุนเมาขาดสติเราก็จะรักษาศีลข้ออื่นได้พอเรารักษาศีห้าได้แล้วเราก็ลองมารักษาศีแปดกันต่อเพราะถ้าเราอยากจะเจริญมรรคให้สมบูรณ์นี้เราต้องเจริญด้วยศีแปด ศีลสิบหรือศีลสองอยิบเจ็ดนะถ้าเรามีศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองอยิบเจ็ดเราจะมีเวลามาเจริญสติเมื่อเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาได้นะถ้าเรายังไม่สามารถรักษาศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองรอยิบเจ็ดได้เราจะไม่มีเวลาเพราะเราจะเอาเวลาไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเนะช่นไปเที่ยวกันไปดูหนังฟังเพลง ไปร่วมหลับนอนกันไปกินเลี้ยงกันไปรับประทานอาหารไปดื่มอะไรกันอันนี้ก็จะทำให้เราไม่มีเวลามาเจริญสติไม่เจริญสมาธิเจริญปัญญาแต่ถ้าเราอยากจะมีศีลอยากจะมีมรรคให้สมบูรณ์เราก็ต้องมารักษาศีลแปดกันให้ได้หรือรักษาศีลสิบศีลสิบก็สำหรับผู้ที่บวชเป็นสามเณร ศีล227ก็สําหรับผู้ที่บวชเป็นพระภิกษสืถ้ามีศีลอย่างใดอย่างหนึ่งในสามชนิดนี้ก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญสติมีเวลามานั่งสมานั่งไหวพระสวดมนต์การสวดมนต์นี้ก็เป็นการเจริญสติแล้วพอนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกก็จะเป็นการนั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบก็จะได้สมาธิ พอได้สมาธิแล้วก็ฟังแล้วส่วนปัญญาเราก็ได้จากการฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องคอยสังเกตดูก็คือความทุกข์ใจของเราทุกเราต้องกำหนดรู้ดูว่าใจของเราทุกหรือไม่ตอนนี้ถ้าทุกก็ต้องรู้ว่ามันเกิดจากตัณหาความอยากมันไม่ได้เกิดจากอะไรอะไรที่ทำให้ใจเราทุกอันนั้นถือว่าเป็นสมุ ท, ทยัยเป็น นั่นมันก็จะเป็นตัณหาความอยากนี้เท่านั้นที่ทําให้เราทุกข์กันแล้วถ้าเราอยากจะดับความทุกข์นั้นเราก็ต้องหยุดตัณหาความอยากไม่ใช่ไปทําตามความอยากเช่นเวลาเราเหงาเราทุกข์เพราะเราเหงาเราก็ไปคิดว่าเราต้องมีแฟนเราอยากได้แฟนแทนที่เราจะหยุดความอยากได้แฟน เราก็อย่าไปอยากมีแฟนเราบออยู่กับความอยู่ตามลําพังดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าพอเราระงับความอยากได้ใจก็จะสงบความทุกข์ก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่มีมรรคไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเวลาเกิดความทุกข์เราจะไม่รู้ว่าเกิดจากความอยากของเราแล้วเราก็จะไม่ไปหยุดความอยากแล้วกลับ ไปทำตามความอยากเพราะเราคิดว่าความหลงจะหลอกให้เราคิดว่าการได้ทำตามความอยากแล้วจะทำให้เราหายทุกข์นั่นเองเช่นคนอยากจะสูบบุหรี่ทุกเวลาไม่ได้สูบพอได้สูบก็หายทุกข์ก็เลยคิดว่าการสูบบุหรี่นี้เป็นวิธีแก้ความทุกข์แต่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องก็ต้องไม่สูบบุหรี่เท่านั้นเวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่ไม่สูบ ถ้ามีสมาธิมันจะไม่ทรมานใจสมาธิจะทำให้ใจไม่ไม่ทุกข์มากเพราะสมาธินี้เป็นความสุขใจถ้ามีสมาธิแล้วเกิดความอยากสูบบุหรี่นี้จะไม่ทรมานใจมันจะทำให้เราหยุดความอยากสูบบุหรี่ได้แต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี้เวลาเกิดความอยากสูบบุหรี่แล้วมันจะทรมานใจมาก มันจะต้องไปสูบอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะทำให้หายทุกได้นี่แหละคือความสำคัญของมรรคของศีลของสมาธิของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงค้นพบว่ามรรคต้องจเจริญให้สมบูรณ์อ า, อ า, าริยสัจกิตในอริยสัจสี่ทั้งสี่ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไม่มีใครรู้มาก่อน จิตข้อที่หนึ่งคือทุกต้องกําหนดรู้นี้ไม่มีใครรู้มาก่อนพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รู้ด้วยพระองค์เองและรู้ในกิจของอริยสัจสี่ได้ว่าทุกต้องกําหนดรู้ทุกที่ต้องกําหนดรู้ตถาคตได้กําหนดรู้แล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกสมอสุทัยต้องละตถาคตก็ได้ละแล้วโดยที่ไม่มีใครสอนไม่มีใครบอกนิโรด ต้องทำให้แจ้งตถาคตก็ได้ทําให้แจ้งแล้วมากที่ต้องเจริญให้สมบูรณ์ตถาคตก็ได้เจริญได้อย่างสมบูรณ์แล้วพอได้ทําภารกิจทั้งสี่ข้อในอริยสัจสี่ได้ครอบถ้วนบริบูรณ์พระองค์ก็ได้ตัดสัลุได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาคือได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป คำว่าพระอาหารหันต์ก็คือผู้ที่สิ้นความอยากสิ้นกิเลสนี้เองเอตัณหาทั้งสามนี้ก็คือกิเลสการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอกําจัดตัณหาทั้งสามได้ก็ถือว่าได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงไปในตัวเหมือนกันเอผู้ที่สิ้นกิเลสก็คือพระอาหารหันต์ ผู้ที่สิ้นกเกลสได้ด้วยตนเองเรียกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนผู้ที่สิ้นกเกลสดด้วยการศึกษาจากพระพุทธเจ้าอีกต่อห น, นึ่งเราเรียกว่าพระอรหันตสาวกสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังผู้ศึกษาศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติไปปฏิบัติภารกิจในอริยสัจสี่ทั้งสี่ข้อ พอปฏิบัติได้สมบูรณ์ก็ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่เราไม่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ตาสมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองแต่เป็นพระอรหันต์ด้วยการได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าอีกตออ่อหนึ่งส่วนพระพุทธเจ้านี้เป็นพระอรหันตสตามมาสามพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครเป็นคนสอนไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครมาก่อน ศึกษาค้นคว้าด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์จึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ถ้าคนอื่นนี้จะเรียกตนเองว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ต้องเป็นพระอรหันตสาวกเท่านั้นเพราะทุกคนที่มาบรรลุเป็นพระอรหันตในยุคนี้ในยุคที่มีพระพุทธศาสนานี้ ได้เป็นพระอาหารหันต์เพราะได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้าไปเป็นพระอาหารหันต์ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์ตสัมมาสามพุทธเจ้าคือได้ค้นพบพระอาาริยสัจ ส, สี่ได้ด้วยตนเองได้ทรงค้นพบกิจในอาาริยสัจ ส, สีว่ามีอะไรบ้างและได้ปฏิบัติกิจในอาาริยสัจ ส, สี่นั้นได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ จึงทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องของการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์สาหรับสัตว์โลกของอย่างพวกเราที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะว่าถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้พระอริยสัจสี่นี้ มาบำเพ็ญกิจในอริยาศาสตร์สีนี้จนครบบริบูรณ์พวกเราก็จะไม่มีใครมาสั่งมาสอนพวกเราก็ยังจะต้องติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปยังไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้นแต่พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระ อารหาันตสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะสอนพวกเราให้รู้เรื่องของพระอริยสัจสี่ให้เรารู้ถึงกิจในอริยสัจสี่ว่ามีอะไรบ้างถ้าเรารู้และเรานำเอาไปปฏิบัติไปกาหนดรู้ทุกไปละสมุ ท, ทยัยไปทำนิโรธให้แจ้งด้วยการเจริญมรรคให้สมบูรณ์ถ้าเราเจริญมรรคให้สมบูรณ์แล้วเราก็จะรู้ทุกตลอดเวลา ว่เกิดจากสมุทยัยเกิดจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาพอเกิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะค้นดูทันทีว่าตอนนี้กําลังอยากอะไรอยู่แล้วก็จะเพราะว่าต้องอยากในกามหรืออยากในอย่างใด อ, อย่างหนึ่งพอรู้ว่าเป็นตัวทําให้ทุกข์ก็หยุดความอยากนั้นเช่นเวลาเราปวดศรีรษะ เพราะว่าเราเอาค้อนมาทุบ ศ, ศีษะรเราอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นคนเมาไม่มีคนเป็นคนไม่มีสติเราก็จะรู้ว่าที่เราปวด ศ, ศีษะเพราะเราค้อนมาทุบ ศ, ศีษะรเราถ้าเราอยากจะหายจากการปวด ศ, ศีษะเราก็หยุดทุบ ศ, ศีษะเราเท่านั้นเองศีษะรเราก็จะไม่ปวดฉันใดใจที่เราทุกข์คือทุกข์เพราะความอยากนี้เองทุกข์เพราะการมติหาภาวตันหาะวิภาวตันหา แต่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่มีมรรคเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเราจึงมองไม่เห็นกันแต่พอเราสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ tes. ้นมาแล้วเราจะเห็นทันทีพอเราเห็นว่าเรากําลังทุบศีรษะเราเราก็หยุดทุบ <Que> ท่านั้นเองพอหยุดทุบการปวดศีรษะของเราก็หายไปพอเราทุกขึ้นมาเพราะความอยากเราหยุดความอยากปั Control ๊บความอยาก พอความอยากนั้นหยุดไปความทุกข์ก็จะหายไปแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆจนหมดสิน้นเพราะทุกครั้งที่เกิดความทุกข์เราก็จะดูที่ใจของเรานี้ว่ากําลังอยากอะไรอยู่แล้วพอรู้ว่ามันอยากสิ่งนั้นเราก็หยุดเสียพอหยุดปัป๊บมันก็หายทุกข์นี่คือ การทําให้ใจพ้นจากความทุกข์ต่างๆต่างๆ ต, ต้องพ้นด้วยมรรคต้องมีสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสนับสนุนด้วยศีลเมื่อมีศีลมีสติมีสมาธิ ม, ม, าธมีปัญญาก็จะสามารถกําหนดรู้ทุกข์รู้ทุกได้ทุกเ ว, เวลาเวลาเกิดความทุกข์ปั๊บรู้เลยว่าเกิดจากเกิดจากความอยากแล้วพอรู้ว่าความอยากเป็นชนิดไหนก็หยุดความอยากชนิดนั้นไป พอหยุดปับ๊บที่ร่ยก็ปรากฏแจ้งขึ้นมาการดับของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาทุกข์ก็หายไปใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่อไปความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดเพราะทุกครั้งที่โผล่ขึ้นมาก็จะได้รับการกําจัดทุกครั้งไปได้รับการละทุกครั้งไปพอละตัณหาได้ทุกครั้งต่อไปตัณหาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจ ใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่พระนิพพานคำว่านิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ปราศจากตัณหาความอยากทั้งสามนี้เองใจที่ไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือใจของพระพุทธเจ้านล่ใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย เป็นเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของพระพุทธเจ้าเองหรือของพระอรหันตสาวกเองเรื่องของความสะอาดบริสุทธิ์นี้เท่ากันหมดความสะอาดบริสุทธิ์ของพระไทยของพระพุทธเจ้านี้ไม่สะอาดไปกว่าความสะอาดของใจของพระอรหันตสาวกสะอาดเท่ากันหมดเหมือนกับเอาเสื้อผ้าไปซักในเครื่องซักผ้าเครื่องเดียวกันเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปกี่ตัวซักกี่ตัวมันก็จะสะอาดเหมือนกันหมด หลางกันตรงที่ความสามารถที่จะทําที่จะค้นพบเครื่องซักผ้านี้ตนเองมีพระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่ฉลาด ท, าที่สามารถค้นพบเครื่องซักผ้าได้ด้วยตนเองพอค้นพบเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้อยากจะซักผ้าก็มาซักตรงนี้ใจของเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ต้องการได้รับการซักให้สะอาดเครื่องซักผ้าก็คือมรคนี้เอง คือศีลสมาธิปัญญาพอพระพุทธเจ้าสรงคนพบว่าศีลสมาธิปัญญานี้เป็นเครื่องซักภอกใจท่านก็ซักพอกใจของท่านด้วยศีลสมาธิปัญญาพอซักพอกเสร็จใจก็สะอาดบริสุทธิ์แล้วท่านก็ไปบอกคนอื่นว่าอยากจะซักพอกใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็มาใช้ศีลสมาธิปัญญากันพอเขาใช้ศีลสมาธิปัญญามาซักภอกใจ ใจของเขาก็สะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่ต่างกันเลยพระนิพพานของพระพุทธเจ้าของพระสาวกนี้ไม่ต่างกันการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของพระพุทธเจ้ากับของสาวกก็ไม่ต่างกันต่างกันตรงที่ระดับสติปรรัญญาหรือบา ร, รมีต่างๆที่จะมาใช้ในการเผยแพร่สั่งสอนผู้อื่นนี้จะมีความแตกต่างกัน พระพุทธเจ้านี้มีสติปัญญาที่มากกว่าสาวกทั้งหลายสามารถสั่งสอนให้ผู้อื่นได้บรรลุธรรมได้ง่ายได้กว่าสาวกทั้งหลายสามารถทํากันได้เพราะพระพุทธเจ้ามีปัญญามากพระสาวกนี้มีปัญญาไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าแต่มีปัญญาพอที่จะกําจัดความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้อันนี้มีมีเหมือนกัน แต่ปัญญาที่จะเอามาเผยแผ่สั่งสอนธรรมะแก่ผู้นี้มีความแตกต่างกันบางองค์นี้บางองค์นี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้สั่งสอนใครเลยบางองค์ก็มีมากสามารถสั่งสอนประชาชนผู้ที่สนใจให้ได้รับประโยชน์กันมีจานวนมากก็อย่างลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นนี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายระดับหลายองค์ด้วยกัน บางองค์ก็มีปัญญาสั่งสอนได้อย่างกว้างกว้างใหญ่ไพศาลบางองค์ก็ไม่สามารถสั่งสอนใครได้มากเพราะระดับปัญญาในการใช้ในการสั่งสอนนี่แตกต่างกันแต่ระดับปัญญาที่ใช้ในการชำระกิเลสตัณหาความอยากต่างๆนี้มีเหมือนกันมีเท่ากันสามารถกำจัดกิเลสตัณหาได้หมดไปเหมือนกันนี่คือความแตกต่าง ในเรื่องของสติปัญญาที่เกี่ยวกับการมาสั่งสอนผู้อื่นนะบในบรรดาพระสาวกนี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าไม่มีใครจะมีสติปัญญาความสามารถในการเผยแผ่สั่งสอนได้ได้ได้มากเท่ากับพระสาริบุตเนี่ยทรงยกย่องพระสาริบุตให้เป็นอักระสาวกมือขวาเลย เป็นองค์ที่สำคัญการเผยแผ่ธรรมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าส่วนพระโมกคลานะนี่เป็นผู้ที่มีความเก่งกาจทางด้านอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ต่างๆไม่มีใครเทียบเท่านอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเก่งกว่านอกนั้นแล้วสู้พระโมคคัลลานะไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ให้เป็นอัคคสาวกซ้ายเป็นสาวกมือซ้ายลองจากมือขวา เพราะอิทธิฤทติปาฏิหารินี้ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรได้เหมือนกับปัญญาของภาษารีบุตรนี่คือความแตกต่างในความสามารถเรียกว่าความสามารถพิเศษนอกเหนือจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พระลันตสาโลกนี้มีความสามารถเท่ากันในการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ความสามารถพิเศษเช่นปัญญาก็ดีหรือ ความสามารถทางด้านอื่นเช่นทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทางบารมีต่างๆนี้มีไม่เท่ากันอย่างพระสุวลีนี้ท่านมีมีความสามารถในทางด้านทานบารมีท่านได้บำเพ็ญทานบารมีมามากท่านจึงเป็นผู้ที่มั่งคั่งจากลาบส ก, การละไปไหนนี้จะมีประชาชนชอบถวายข้าวของเงินทองให้กับพระศิวลี เพราะว่าท่านได้บำเพ็ญทานบารมีมามากรองจากพระพุทธเจ้าเท่า น, นั้นก็คือพระศิวลีในด้านของทานบารมีในด้านของปัญญาบารมีก็ต้องพระสารีบุตรในด้านในในด้านของเอกเทลิปาฏิหารก็ต้องพระโมคคัลลานะในด้านการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาก็ต้องพระอานนท์พระอานนท์นี่เป็นผู้มีบารมีทางด้านการศึกษาจาได้มีความจาดี พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้ที่ไหนจําได้หมดอันนี้เป็นความสามารถพิเศษของแต่ละองค์แต่ความสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์นี้มีเท่ากันใจที่สะอาดก็สะอาดเหมือนกันหมดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกนอันนี่คือเรื่องราวของการตัดสินของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของภารกิจใน อารยศาสตร์สี่เรื่องราวของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่มีอยู่ในศาสนาพุทธของพวกเราที่พวกเรากําลังศึกษากันอยู่ถ้าพวกเรามีศรัทธาแล้วน้อมนําเอาคําสอนที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้เป็นหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้ากันอย่างแน่นอนเพราะบรรดาพระสาวกทั้งหลายที่เป็นกันก็เป็นพุทธชนอย่างพวกเรามาก่อน พอได้มีโอกาสได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์จเจริญ ม, มากได้อย่างสมบูรณ์ก็หลุดพ้นเป็นพระอรันตสาว ก, กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากดังนั้นขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า ให้เชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราว่าพวกเราก็สามารถที่จะบำเพ็ญที่จะเจริญมรรคนี้ให้สมบูรณ์ได้ที่จะมาเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกันกับเหมือนกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็เป็นคนมีกิเลสตัณหาเหมือนกับเรามาก่อนเขามีความเพียรเขามีความพยายามเขามีความเชื่อพอเขาเพียรพยายามพอเขาปฏิบัติเขาก็ได้เป็นกัน ถ้าเราเพียงเราพยายามเราปฏิบัติเราก็จะได้เป็นเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนอย่างนั้นก็ขอให้พวกเราจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขเพื่อความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วก็จะขออนุ ญ, ญาตหยุด ย, ย, ยุติการถามตอบถ้ า, ถาใครอยากจะถามก็ขึ้นมาถามที่ศาลานี้ได้พูดผ่านทางไมโครโฟน กาบน้ำระสการหลวงพ่อครับเออจะเรียนถามเรื่องสังโยชน์นะครับเออผมไม่ควงเข้าใจว่าการปล่อยวางร่างกายเนี่ยก็คือการละสักยติทิฏิและวิจิกิจฉากระสีและต่อประมาณมันจะตามมาการปล่อยวางร่างกายก็คือจะทำให้ใจเราเป็นโสดาบันอันนี้อันนี้เข้าใจครับแล้วก็การตัดกามราคะกับปฏิฆะ คือการปล่อยวางกรรมลมจะทําให้สกิทาคามีกับพระนาคามีนั้น เ, เป็นเผ่าพันธุ์ของใจแต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือการที่ปล่อยวางด้านจิตใจครับในส่วนของรูปราคะรูปราคะมานะอุทธจฉะแล้วก็อวิชชาสงสัยว่าอาวิชชาตัวนี้เราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้ในเรื่องอะไรครับก็ความอยากที่ละเอียดยังมีอยู่ในจิตนะ ตันหาทุกที่ละเอียดตันหาอริยสัจสีที่ยังมีอยู่ในจิตเรายังมองไม่เห็นเราเห็นแต่อริยสัจสีที่ติดอยู่ที่ร่างกายเวลาเราทุกข์กับคนนั้นคนนี้เราเห็นเรารู้เช่นเกิดจากความรักตัวกลัวตายนี่ก็ก็เป็นตันหาความอยากของพระโสดาบันของพระอนาคามีพระ พระสกิดากามีก็คือความอยากในกามาราคะเห็นก็ตัดได้แต่ยังไม่เห็นความอยากในจิตความอยากให้จิตสงบสะอาดสบายสุขตลอดเวลาตอนนั้นมันยังไม่สุขตลอดเวลามันยังสุกสุดิบดบอยู่เพราะยังมีความอยากนี้อยู่ไม่เห็นตัวนี้ เพราะยังไปติดอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบคือการมาราคาการูปาระ ร, รูป ร, ราคาการูป ร, ราคะก็คือติดในรูปประจานกับรูปประจานพอเวลาออกจากรูปประจานรูปประจามันก็จะความสุขนั้นก็จะหายไปแต่ความอยากให้ความสุขนั้นยังมีอยู่ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมากังวลกวายภายในใจอันนี้เป็นเรื่องของอวิชชาที่ยังไม่เห็นตัวนี้ ยังไม่เห็นอะไรสัตว์สีที่ละเอียดพอตอนหลังมาพิจารณาเพพิจารณาว่าความสงบที่มีอยู่ในขณะนี้ยังเป็นความสงบที่ไม่เที่ยงอันนั้นจังทุกขังแลน่าตาก็อย่าไปอยากมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะไปให้มันไปไม่ไปอยากกับมันก็เหมือนกับเราไม่ไปอยากกับร่างกายพอเราไม่อยากกับร่างกายเราก็ไม่ทุกข์กับร่างกายของคนที่เราไม่อยากด้วยถ้าเราไม่ไปอยากกับความสงบที่มีอยู่ในจิต ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากัก็จะไม่มีทีนี้มันพอไม่มีแมงที่มันก็จะบล่อยสุดเต็มที่นี้มันก็จะสงบเต็มที่สงบแบบไม่มีวันเสื่อมพอวิชาเข้าใจความจริงอันนี้ในจิตแล้วมันก็จะปล่อยวางความสงบความสุขภายในจิตแล้วแล้วกรณีที่เราจะใช้ปัญญาในการปล่อยวางมานะการถือตัวตนนี้เราจะใช้ปัญญาพิณา เอ่ออย่างไรครับที่จะปล่อยวางได้ครับเออก็มาน่ามันเกิดจากความหลงเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเองเวลาจิตสงบมันหายไปหมดตัวตนหายไปหมดเป็นเทเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นปาธานาธิปดีเป็นพระเป็นอะไรเป็นหมอมันหายไปหมดเวลาอยู่ในสมาธิมันมีไหยคาว่าหมอคำว่าพระเจ้าแผ่นดิน แต่พอออกมาปั๊บมันสัญญาทํางานสังขารทํางานก็ให้รู้ทันสัญญาสังขารสองตัวนี้ว่ามันเป็นแค่สัญญาสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเองคนนั้นเขาปรุงแต่งตั้งเราขึ้นมาแล้วก็เชื่อเขาเขาตั้งเราเป็นหมอเราก็เชื่อว่าเป็นหมอเขาเรียกว่าเราเป็นหมาเราก็เป็นหมาเขาเรียกว่าเราเป็นอะไรเราก็เป็นเกิดมาพ่อแม่ตั้งชื่อให้เราเราก็เชื่อชื่อนี้ก็ชื่อนี้มันเป็นของตั้งขึ้นมาทั้งนั้นนลยมันไม่มีของแท้จริงหรอก เป็นสมมุติทั้งนั้นตัวตนก็เป็นสมมุติ <Yeah. S 1> พอเขาใต้เป็นใหญ่พอใครมาไม่เคารพนับถือเราแล้วก็โกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมาโมโหเขาขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมา <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นตัวรู้เฉยๆมันก็จะไม่ทุกข์ <Yeah. S 1> ตัวรู้มันไม่มีสูงต่ำดำขาวเอ <Yeah. S 1> ดีชั่วมันไม่มีตัวรู้มันรู้เฉยๆั้น <Yeah. S 1> ใครจะมายกย่องสรรเสริญหรือมาตำหนิติเตียนมันก็รู้เฉยๆไปแล้ว มันกร ะ, ะมานะได้รู้ต้องรู้ทันรู้ทันว่าตัวตนสถานภาพต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันเป็นสมมุติเท่า น, นั้นเองไม่ใช่ตัวจริงแท้ของเราตัวจริงแท้ของเราก็คือตัวรู้เท่า น, นั้นพวกเจ้าถึงสอนให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเขาชมก็ได้ยินว่าเ็าชมเขาด่าเขาเขชมก็ได้ยินว่าเขาด่าไม่ต้องไปปรุงแต่งว่า ดูถูกเหยียดหยามเกื่ายกย่องสรรเสริญอะไรแล้วมันเป็นเรื่องคำพูดของเขาเราไปเมาคำพูดของเขาแล้วก็เมากับความคิดของเราคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เป็นจริงเป็นจังกับความคิดของเราแต่พอเราเข้าไปในความสงบความจริงความคิดเหล่านี้หายไปหมดความเป็นตัวเป็นตนหายไปหมดเลยเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียว มันก็เลยรู้ว่าเนี่ยตัวจริงแท้จริงของเราก็คือตัวรู้นี่เท่านั้นเองมันก็จะละมานะได้คำถามต่อไปเป็นคำถามจากพี่หมอแอนนะครับ่าหนูได้ภาวนาโดยการดูร่างกายไปเรื่อยๆก็ทำให้จิตส่งออกนอกน้อยลงและจิตสงบดีเจ้าค่ะและหลังจากจิตไม่ส่งออกนอกแล้วก็จะเพ่งดูจิต จุดใดจุดหนึ่งที่จมูกแต่กําลังสติน้อยเลยเพ่งได้ไม่นานก็พยายามฝึกสติให้แน่นๆตามที่หลวงพ่อเมตตาสอนคาถามข้อที่หนึ่งการภาวนาของหนูเป็นการภาวนาที่ใช้ความคิดอยู่ภายในร่างกายแต่ไม่ได้ลงถึงฐานของสมาธิอยากให้หลวงพ่อเมตตาอธิบายว่าการภาวนาที่หนูทําอยู่มันจะนําไปสู่จิตรวมได้ไหมคะ หรือหนูจําเป็นต้องเปลี่ยนมาฝึกแบบดูลมและพุทโธเพราะหนูพิจารณาแล้วว่าหนูถนัดดูนครกายมากกว่าค่ะเพราะควบคุมความคิดที่ส่งออกนอกได้ดีกว่าหลวงพ่อคิดว่าหนูควรจะปฏิบัติตามนี้หรือทําอย่างไรดีคะคือการพิจารณาอาการ32ของร่างกายนี้ก็เป็นการดึงใจไม่ออกไปข้างนอกเพื่อจะได้ไม่ให้ฟุ้งซ่าน แต่มันไม่สามารถทำให้จิตรวมเป็นหนึ่งได้มันเป็นการบรรเทาความคิดปรุงแต่งให้มันเบาลงถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับเราเหยียบเบรกไว้หรือขับให้มันขึ้นที่สูงเยถ้าเราไม่มีเบรกแล้วเราอยากจะให้รถมันชะลอตัวลงเราก็ต้องให้มันวิ่งขึ้นเขาไปพอมันขึ้นเขาไปสักพักเดี๋ยวแรงมันก็หมดมันก็จะหยุด การพิจารณาอาการต่างๆของร่างกายนี่ก็เป็นการเหมือนกับเอาความคิดที่คิดลงเขานี่ใมันเป็นคิดขึ้นเขาไปแทนพอคิดไปในทางร่างกายเดี๋ยวมันก็หยุดคิดแต่มันไม่รวมมันหยุดฟุง้งซ่านขั้นต่อไปพอมันหยุดฟุง้งซ่านเราเราก็ควรจะดูลมละทีนี้ต้องต้องจ่อให้จิตดูเฉยๆเพ่งเฉยๆไม่ให้คิดอะไรี่ย ถ้าดูรวมเฉยๆเดียวมันก็จะรวมหรือพุโทโธอย่างเดียวถ้าจะคิดก็คิดคําว่าพุโทโธคําเดียวมันรวมได้รวมด้วยพุโทโธรวมได้การดูการเพ่งแต่จะไม่สามารถรวมได้จากการที่เราจะดูการสามสิบสองต่างๆนอกจากเวลาที่เราดูทุกขเวทนาแล้วแยกแยะด้วยปัญญานี้เราก็จะทําให้จิตรวมได้นะครับ หรือถ้าเราไปเจอความตายแล้วเราพิจารณาความตายพิจารณาร่างกายแล้วปล่อยวางร่างกายได้จิตก็จะรวมได้แต่มันต้องมีเหตุการณ์จริงๆถึงจะทำให้มันรวมถ้าเราไม่มีเหตุการณ์ถ้ายังไม่เจอความตายพิจารณ์ยังไงจิตมันก็จะไม่รวมถ้ายังไม่เจอความเจ็บพิจารณ์ยังไงจิตมันก็จะไม่ปล่อยความปล่อยเวทนามันก็ยังติดกันอยู่มันก็จะไม่รวม ดังนั้นถ้าเราไม่มีเหตุการณ์เช่นความตายหรือความเจ็บปวดเช่นเจ็บไข้ได้ปวด่วยเป็นโรคมะเร็งมีความเจ็บปวดนี่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาได้มันก็สามารถทําจิตให้รวมเป็นสมาธิปล่อยวางเวทนาได้มันก็จะรวมเป็นสมาธิได้แต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์จริงๆอย่างนั้นมันใช้ความคิดเฉยๆมันไม่พอมันไม่พอที่จะทําให้จิตรวมแต่ใช้การเพ่งมันจะทําให้รวมได้ เพ่งดูลมหรือเพ่งอยู่กับพุทโธพุทโธอย่างเดียวเนี่ยมันจะรวมได้ข้อที่สองคำว่าฐานของสมาธิกับฐานของจิตคืออันเดียวกันหรือเปล่าคะกาเปียหลวงพ่อช่วยอธิบายเพิ่มเติมคะออ่ะออันเดียวกันตัวรู้สักตะวารู้เนี่ยอุเบกขาเนี่ยตัวนี้ตัวเดียวกันจิตรวมเป็นหนึ่งสักตะวารู้เป็นอุเบกขาปราศจากความรักชังกลัวหลงนี่คือฐานของจิต คือตัวรู้นี่ไงแล้วพอเราแล้วเราถ้ารู้ด้วยปัญญาวันนี้ก็คือตัวใจจริงของเราก็คือตัวรู้นี่เองตัวอื่นเป็นตัวคิดทั้งนั้นคิดว่าเป็นหมอคิดว่าเป็นอะไรเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นอะไรมันก็เป็นความคิดทั้งนั้นตัวจริงๆนี่คือตัวรู้เท่านั้นเองแต่นี้ต้องอีกขั้นหนึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเข้าถึงขั้นต้นยังไม่ถึงขั้นต้นเพียงแต่เห็นตัวรู้ก่อน ให้รู้ว่ามีตัวรู้นะตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวร่างกายนะเพื่อที่เราจะได้แยกตัวรู้ออกจากร่างกายปล่อยวางร่างกายได้ละสกายะทิฏฐิดได้ก่อนแล้วค่อยไปละตัวจิตอีกทีหนึ่งตัวรู้ที่อยู่ในจิตนั้นอีกทีนึงตัวคิดที่อยู่ในจิตอีกทีนึ่งข้อที่สามเพื่อยืนยันความเข้าใจที่ถูกต้องอีกครั้งนะคะคือจิตสุดท้ายก่อนตายหมายถึงว่า ก่อนเราสิ้นลมเราคิดถึงเรื่องบุญหรือบาปก็จะไปเกิดตามสิ่งนั้นก่อนหรือว่าเอาบุญและบาปที่ทำมามาบวกลบคูณหารกันแล้วถึงสรุปเป็นไปเกิดตามนั้นค ะ, ะคือจิตของเราเนี่ยมันเป็นจิตสุดท้ายตลอดเวลาอตอนนี้มันเป็นอะไรมันก็ถ้าตายตอนนี้มันก็เป็นตอนมันก็เป็นอย่างนั้นทันที มันมันบวกลบคูณหารมันบาลานซ์บัญชีมันมันมันทําของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่จะมาลอมันทาตอนที่ตายถ้าจิตมันคิดดีมันก็จะไม่ไปคิดลายถ้าคิดลายมันอยู่ดีๆมันจะไปคิดดีมันย่อมเป็นไปไม่ได้มันมันอยู่ที่การฝึกของเราตอนนี้ถ้าเราฝึกให้มันคิดดีมันก็จะคิดดีตอนตายมันก็จะคิดดีมันไม่มีทางที่จะไปคิดลายหรอก ถ้าตอนนี้เราคิดร้ายตอนตายมันก็คิดร้ายมันจะไปคิดดีได้ไงขนาดตอนเป็นยังไม่คิดดีเลยแล้วตอนตายจะไปคิดดีได้ไงมันฉะนั้นมันจิตสุดท้ายก็คือจิตปัจจุบันไงจิตเราตอนนี้เป็นไงตอนตายมันก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้เราเป็นยังไงเราก็เวลาตายเราตายในอดีตหรือตายในอนาคตเราก็ตายในปัจจุบันใช่ไหม อดีตไม่มี ion, อนาคตไม่มีมีปัจจุบันเท่านั้นเองและอาการของจิตที่เป็นปัจจุบันก็คืออาการสุดท้ายของจิตนั่นแหละฉนั้นพยายามทำจิตให้ปัจจุบันให้เป็นจิตที่ดีจิตที่สงบจิตที่นิ่งเวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปถ้าเวลาปัจจุบันมันวุ่นวายวุ่นวายพุ่งสร้างเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาตายมันก็จะเป็นอย่างนั้นจะไปเป็นอย่างอื่นได้ง ข้อที่สี่ถ้าเราต้องการที่จะติดต่อกับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเราจําเป็นต้องฝึกสมาธิภาวนาจนบรรลุขั้นใดเจ้าค้าถึงจะติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างกายหยาบกับกายคิพเขาเรียกว่าขั้นอุปจารสมาธิคือจิตต้องรวมเป็นอัปปนาแล้วถอนถอยออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆอีกทีหนึ่งต้องเข้าไปอัปปนาก่อนถ้ายังไม่เข้านี้ยังไม่ถือว่าเป็นอุปจารละต้องจิตรวม รวมแล้วแต่ไม่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้ออกมารับรู้เรื่องของกายทิพย์ต่างๆแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของเรื่องของความสามารถพิเศษที่แต่ละคนอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้อยู่ที่ว่าได้เคยฝึกขัดมาหรือเปล่าคนที่เคยฝึกมาพอจิตสงบแล้วเขาก็จะถอให้ออกมามารับรู้ได้จิตของหุวงปู่มั่นอย่างนีน้จิตของพระพุทธเจ้านี่หลังจากเข้าไปอัปญาแล้วท่านก็ถอดออกมา แต่ไม่ถอนออกมาตามามาที่ตะไม่ไม่ถอนออกมาที่ร่างกายถอนมาที่กายทิพย์มารับรู้เรื่องรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้เก็เรียกอุปจารสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาเพราะมันไม่เป็นอุเบกขามันไม่มีความสุขเหมือนกับอัปปนาสมาธิมันจะไม่มีกําลังปล่อยวางสมุ ท, ทยัยคือตันหาความอยากต่างๆได้ ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าเป็นสมุทัยก็ปล่อยไม่ได้เพราะมันยังไม่มีความสุขในตัวมันเองมันก็เลยยังอยากจะหาความสุขจากความอยากต่างๆอยู่แต่ถ้ามันมีอัปปนาสมาธิมันจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆมันก็จะฝืนความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ ดังนัอย่าไปสนใจกับเรื่องอุปจารสมาธิปล่อยให้มันเป็นไปวาสนาถ้าวาสนาเราเคยมีมามันจะมีเองถ้าไม่มีก็ดีแล้วอย่าไปสนใจอย่าไปเสียเวลาเราเอาอัปปนาสมาธิดีกว่าให้จิตสงบนานๆให้มีอุเบกขามากๆพอออกมาจากสมาธิพอตันหามาชวนให้ไปทํานู่นทํานี่ก็จะฝืนมันได้พอฝืนไม่ได้ต่อไปตันหาก็จะหมดไปจากใจ จากยูทูบนะครับศา ส, สนาพุทธของคุณอีซี่อุ๋ยนะครับศา ส, สนาพุทธของเรามีพระพุทธเจ้าสอนให้ลดความทุกข์หรือสอนให้มีความสุขครับความสุขนี้เป็นกิเลสหรือไม่แล้วความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับความสุขที่แท้จริงก็คือการไม่มีความทุกข์นี่นไงเวลาไม่มีความทุกข์นี่สบายไหม นั่นหละนคือความถุกที่แท้จริงเพราะไม่ต้องไม่ต้องหาอะไรมาทาให้มันเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมชาติของจิตอยู่แล้วความสุขนี้ไม่เป็นกิเลสแต่ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขอันนั้นแหละเป็นกิเลสเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปแล้วมันจากสุขก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาใหม่ พระอาจารย์ครับผมได้สนทนากับผู้ที่มาปฏิบัติบนเขาหลายๆท่านนะครับเขาหลายคนบอกว่าถ้าปฏิบัติจนได้ความสุขที่ระดับได้ระดับอสุขมากๆแล้วเนี่ยสิ่งไหนก็ไม่ต้องการอีกแล้วในในโลกนี้ครับเหมือนถ้าจะออกบวชเลยครับพระอาจารย์ก็นั่นแหละไม่รู้จะอยู่ในโลกนี้ไปทําไมอยู่ก็ต้องวุ่นวายกับคนที่มีกิเลสก็ไปอยู่คนเดียวดีกว่า คำถามจากคุณเกษร น, นะครับครั้งหนึ่งมีคนเคยทำกรรมกับหนูซึ่งทุกครั้งที่หนูสวดมนต์ภาวนาหนูจะขออโหสิกรรมและได้อโหสิกรรมให้กับเขาผู้นั้นไปแล้วแต่ในทุกครั้งที่จะเจอหน้าเขาอีกทำไมหนูถึงรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีที่ได้เจอหน้าเขาเลยคะเพราะหนูยังไม่ได้อโหสิอย่างจริงจังนั่นเองเพียงแต่อโหสิแต่ทางความคิดเท่านั้นเอง ถ้าอยากจะโหสิทางความด้วยความจริงใจอย่างจริงแท้ก็ต้องเจอเขาก็ต้องยกมือไหว้เขามีของอะไรก็ไปฝากเขาแล้วต่อไปมันก็จะหายโกรธหายเกลียดกันเพียงแต่คิดอย่างเดียวยังเป็นเพียงการกระทํำครึ่งเดียวยังไม่สมบูรณ์ถ้าจะให้สมบูรณ์ต้องอทําด้วยกายวาจาด้วยเวลาเจอกันทักทายก็ถือสบายดีจ้อ มีของมาฝากเขาให้เขาไปอาจจะต้องฝืนบ้างแต่ก็ฝืนไปทําไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอเขายิ้มกับเราเขาดีใจกับเราหน่อยเราก็หายโกรธเาละเกียดเขาละคำถามจากคุณนรงศักดิ์นะครับทำสมาธิพอไปถึงตัวรู้ละกายละอารมณ์นิ่งอยู่กับตัวรู้คอยดูคอยละสิ่งที่เข้ามาทั้งภาพทั้งความคิดให้ทันกลับมานิ่ง ไว้อย่างนี้ฝึกอย่างนี้ทําอย่างไรต่อครับเพืก็ทําอย่างนี้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิไงตอนอยู่ในสมาธิมันง่ายแต่ตอนที่ออกมาเจอกันเนี่ยมันยากต้องพยายามทําตอนนั้นให้ได้การทําทสมาธินี้เป็นการซ้อมเป็นการทําการบ้านว่าเราใจต้อนงต้องนิ่งเป็นสมาธิต้องเฉยต้องปล่อยวาง แต่พ อ, อ, อมาเจอคนนั้นเขาด่าเราคนนี้เขาว่าเราเราต้องเราก็ต้องทำใจให้เฉยเหมือนกับที่เราอยู่ในสมาธิให้ได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าใช้สติอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอก็ต้องใช้ปัญญาว่าการด่าเขาการกระทำอะไรของเขานี่เราไปห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตารูปเสียงกลิ่นรสเป็นอนัตตาจะให้เสียงเป็นแต่เสียงชมอย่างเดียวไม่ได้มันก็เหมือนฝนฟ้ า, ฟาอากาศมันก็มีฝนตกแดดออก เสียงก็เหมือนกันมีเสียงชมมีเสียงด่าถ้าเราไม่ไปมีความอยากกับเสียงเราก็จะอยู่กับเขาได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ไม่เป็นพอเจอเสียงถูกกระทบเสียงไม่ดีแล้วใจเริ่มปวนก็ใช้สติดึงกลับมาก่อนพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปคิดถึงเสียงที่ทำให้เราปวดพอเราอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวเราก็เฉยสงบนิ่งได้ แต่พอเราเผลอพอเราคิดถึงเสียงนั้นทีไรเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าจะไม่ให้ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาว่าเสียงก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีบนสลับกันไปสลับกันมาเราอยู่กับฝนฟ้าอากาศได้ทําไมเราจะอยู่กับเสียงด่าเสียงชมไม่ได้มันก็เหมือนกันคิ ด, คดอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่เดือดร้อนกับคําชมคําด่าของคนอื่นเพราะเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้ คำถามจากคุณสุมาลีนะครับลูกสาวถามว่านรกมีจริงหรือไม่หรือเป็นเรื่องแต่งเพื่อให้คนกลัวจะได้ไม่ทําบาปอ๋อมีจริงแต่เรามองไม่เห็นกันทั้งทั้งที่เราอยู่กับนรกสวรรค์เกือบทุกวันนรกในอกสวรรค์ในใจนรกก็คือความรุ่มร้อนความทุกข์ใจสวรรค์ก็คือความเย็นความสุขใจมีอยู่ตลอดเวลาสลับกันไปสลับกันมาระหว่างที่เราเป็นมนุษย์ขึ้นอยู่กับ การกระทําของเราวันนี้ทําบุญใจเราก็เย็นสบายขึ้นสวรรค์พรุ่งนี้ก็ไปทําบาปใจก็ร้อนขึ้นมามันก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วพอตายไปอบุญกับบาปที่เราทําไว้มันก็จะมาแสดงผลอย่างเต็มที่ครั้งหนึ่งตอนนี้มันเพียงแต่แสดงชั่วคราวเป็นหนังตัวอย่างให้เราดูไปก่อนพอถึงเวลาเราตายไปบุญกับบาปนี้มันก็จะมามา มามาสู้กันบุญกับบาปอันไหนมีกำลังมากกว่ายอดของบุญกับยอดของบาปรวมรวมยอดของบุญที่เราทำมากับรวมยอดของบาปที่เราทำมาถ้าบาปมันมีมากกว่ามันก็จะแสดงความทุกข์ความรมร้อนให้กับเราก่อนอันนั้นมันก็จะร้อนยะนานไปเลยเพราะว่ามันไม่มีร่างกายมันก็จะร้อนไปจนกว่ามันจะหมดแรงแล้วมันก็จะมาเกิดมาได้ร่างกายนใหม่ เช่นเดียวกับบุญถ้าบุญมันมีกําลังมากกว่ามันก็จะทําให้ใจเราเย็นไปเย็นไปจนกระทั่งมันหมดกําลังเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมาสร้างบุญสร้างบาปกันใหม่อีกคําถามจะกุดอ้อนะครับเรื่องความแตกต่างระหว่างการเพิกเฉยหรือการวางเฉยการไม่สนใจกับปัญหาที่ทําให้ทุกข์ใจกับการวางอุบเบกขามีความแตกต่างกันอย่างไรคะ อ, อ๋อถ้าคุณไม่มีอุเบกขาจริงๆคุณไม่รู้หรอกคุณต้องฝึกสมาธิถึงจะรู้ว่าการปล่อยวางการเป็นอุเบกขาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรถ้ามันไม่ได้ของจริงมันก็เหมือนกนได้ทองทองทองทองเทียมได้ทองเทียมก็ไม่รู้ว่าเป็นทองแท้หรือไม่เวลาที่คนไม่ได้ได้ของจริงคนก็อยู่กับของปลอมไปคือบางทีเฉยเฉยในสิ่งที่ไม่ควรเฉยก็มี อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นอุเบกขาถ้ามีอุเบกขานี่จะเฉยทางอารมณ์เกิดจะไม่รุ่มร้อนใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่จะไม่เฉยในการใช้ความคิดด้วยเหตุด้วยผลเพื่อที่จะทำสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่ควรจะทาอันนี้ไม่คนละเรื่องกันแต่ไปด้วยกันคนที่มีอุเบกขานี่ยังใช้ความคิดยังพิจารณาด้วยปัญญาว่าควรจะทำอะไรหรือไม่ควรทาอะไร ต่อสิ่งที่มากระทบเนี่ยเช่นเขาด่าเราเราควรจะทําอะไรหรือไม่ควรจะตอบโต้หรือไม่หรือควรจะเฉยเอแต่ใจมันเฉยใจมันไม่โกรธใจมันไม่มีอารมณ์แต่ด้วยเหตุด้วยผลบางทีมันต้องพูดก็ต้องพูดถ้าด้วยเหตุด้วยผลเห็นว่าพูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดแล้วนั้นอันนี้มัน พูดยากจะให้อธิบายไม่ได้เพราะอุเบกขานี่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกท า, ทางจิตใจที่จะต้องสัมผัสด้วยตนเองอย่างโบราณที่เขาพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเนี่ยเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจากการปฏิบัตินี้จึงอธิบายยากอธิบายได้ก็เพียงแต่คร่าวๆ เ, เท่านั้นเองแต่จะรู้จริงเนื้อมันรู้จริงนี้ต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้จริง คำถามจากคุ ณ, คณใช่นะครับตอนทำงานแล้วเนื้องานเครียดใจมันก็เครียดหนักเลยค่ะควรทำอย่างไรก็พักสักครู่เนี่ยไปเข้าห้องน้าแล้วไปนั่งพุทโธพุทโธอย่าไปคิดถึงมันสักพักหนึ่งแล้วก็หายเครียดพอใจหายเครียดแล้วมาดูงานอาจจะดูในอีกมุมหนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะ ไม่เครียดเหมือนกับตอนต้นก็ได้ที่เครียดเพราะความอยากอยากให้มันเป็นไปดังใจของเราพอมันไม่ได้ดังใจเราก็เครียดกันเหตนบางทีเราต้องหยุดความอยากเราพักความอยากสักครู่แล้วกลับไปทาใจให้สงบแล้วค่อยกลับมาดูงานใหม่พอดูด้วยความไม่อยากมันก็จะไม่เครียดแล้วมันก็จะดูด้วยเหตุด้วยผลคาถามจากผู้ทวนกระแสโลกนะครับ เป็นผู้หญิงเป็นคาวาสสามารถนิพพานได้หรือไม่ได้ทุกคนเนี่ยเป็นหญิงผู้ชายเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชเป็นคาวาสไม่สำคัญอันนี้เป็นเพียงอ่าเป็นสถานภาพทางร่างกายสิ่งที่จะทำให้ไปนิพพานได้ต้องเป็นสถานภาพทางใจคือต้องมีศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นถึงจะเป็นไฟนิพพานได้ ถ si hoy, no ario, ้าเป็นนักบวชแต่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็ไปไม่ได้ถ้าเป็นคฆราวาสแต่มีศีลสมาธิปัญญาก็ไปได้งนั้นอย่าไปดูที่สถานภาพว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นคฆราวาสให้ดูที่ใจว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าในสมัยพุทธกาลนี้มีทุกสถานภาพที่ไปนิพพานกันเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีคฆราวาสก็มีนักบวชก็มี คำถามที่คุณจุ่มนะครับตามที่พระอาจารย์เทศสอนเมื่อสักครู่นี้แสดงว่าสวรรค์กับนรกคือจิตที่เราต้องรับผลของกรรมใช่ไหมเจ้าคะนั่นแหละจิตเป็นผู้กระทากรรมและเป็นผู้รับผลของกรรมคิดแป๊บมันก็มันก็รับผลทันทีคิดไม่ดีมันก็ทุกขึ้นมาทันทีโกรธขึ้นมาก็ร้อนขึ้นมาทันทีเป็นไฟเป็นนรกขึ้นมาทันทีพอให้อาภัยได้ก็เย็นทันที ต่อเรื่องนรกเลยนะครับคุณมาสเตอร์เป็นพระสงฆ์นะครับถ้าเราสำเร็จอรหันแล้วเราจะไม่ตกนรกใช่ไหมครับไม่เกิดเลยละไม่ยอ้อนตานระกแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ไปสวรรคนี้ก็ยังทุกข์อยู่เพราะสวรรค์มันก็ยังไม่เที่ยวมันต้องตกลงจากสวรรค์เวลาหมดบุญมันก็จะตกลงจากสวรรค์เวลานั้นก็จะทุกข์ แล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาทําบุญ ท, บทําบาตรมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกต่อตามด้วยเรื่องบาป ก, กรรมต่อนะครับคุณอารีพรนะครับเจ้ามือหวยเจ้ามือรับแทงบอลจะได้รับบาปกรรมแบบไหนคะเตือนให้เลิกก็บอกว่าเลิกก็ไม่มีไรายได้อะไรแก่แล้วหาเงินแบบอื่นไม่เป็นก็มันเป็นอาชีพที่ไม่ไม่ดีนะแล้วก็อาจจะอะล่มจมได้ เล่นการพนันมันไม่ใช่ว่าจะได้กำไรเพียงอย่างเดียวโอกาสที่จะเจ้งหมดตัวก็มีเหมือนกันดังั้นไม่ควรที่จะเสี่ยงกับการเลี้ยงชีพแบบนี้เลี้ยงชีพแบบสุดจริตแบบที่มั่นคงจะดีกว่าทำงานทําการได้เงินเดือนแล้วก็เก็บออมริบเอาไว้อย่าใช้ฟุ่มเฟือยชีวิตก็จะไม่วุ่นวาย แต่ถ้าเล่นการพ น, น, นันนี้เวลาได้มามันง่ายมันก็จะใช้ง่ายใช้แบบพุ่งเฟยไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักออมพอเวลาหมดก็ไม่มีเงินสำรองมามาช่วยป้องกันมาช่วยเหลือดังนั้นอย่าไปทำอาชีพแบบนี้เพราะอาจจะนำไปสู่การทำบาปต่อไปได้เพราะเป็นอบา ย, ยมุกเล่นการพนันหมดเมื่อหมดตัวก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเล่นต่อ คำถามจากคุณอ้อนะครับเรื่องการทำหมันสัตว์เป็นบาปหรือไม่คะเนื่องจากเรามีเจตนานที่ดีต่อสัตว์อ๋อทาหมันนี่ไม่บาปหรอกก็ไม่ได้ไปฆ่าเขาเพียงแต่การไม่ให้เขาผลิตลูกเค่านั้นเอง เ, อเรื่องกรรมเยอะครับวันนี้คุณวชระพล น, นะครับถามว่าตีไก่จะได้รับกรรมแบบไหนครับ ก็ต่อแบแบบต้องเป็นกายเขาตีมั้งเลยทาสิ่งใดไว้ก็จะต้องรับสิ่งนั้นกลับมาคุณโยมโจ้นะครับการหนีออกบวชเป็นบาปหรือไม่ครับไม่บาปหรอกการบวชเป็นการกระทําที wow ่ประเสริฐที่สุดไม่มีอาชีพไม่มีการกระทํำองานในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการบวช เพราะการบวชนี่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การกระทําอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทําให้เราหลุดพ้นได้แม้จะต้องทิ้งครอบครัวหรือพ่อแม่ก็ตามเหรอครับพระอาจารย์ก็ทิ้งชั่วคราวไม่ได้ทิ้งไปตลอดเนี่ยพอเราเรียนจบแล้วเราก็กลับมาดูแลช่วยเหลือต่อไปได้ดูพระพุทธเจ้าแล้วช่วยได้ดีกว่าตอนก่อนไปบวชซะอีกเพราะถ้าไม่ได้บวชก็จะช่วยให้หลุดพ้นไม่ได้ช่วยได้อย่างมากก็ให้อยู่กินสบายทางร่างกาย แต่ถ้าไปบวชไปหลุดพ้นแล้วก็กลับมาสั่งมาสอนมาพาให้ไปหลุดพ้นกันได้ประโยชน์มากกว่าคำถามจากคุณทัศนีนะครับเวลาที่เราแนะให้คนอื่นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่คนอื่นมองว่าไม่ควรพูดเพราะเขาคิดต่างการที่เขามาห้ามเราเขาจะบาปหรือไม่ การที่เราไปสานเขาหน่วยที่เขาไม่ขอร้องนี่ยบาปเคยไปยุ่งกับเขาอการจะสอนใครนี้ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะรับหรือไม่เขายินดีหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีอย่าไปสอนเขาเพราะเป็นการไปไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตเขานั่นเองเราไม่ชอบไม่คนอื่นมาเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของเราแล้วทําไมเราชอบไปเจ้ากี้เจ้าการกับชีวิตของคนอื่นคําถามจะคุณปริม เพิ่มเพิ่มพงนะครับแนวทางการปฏิบัติแบบพิจารณากายก่อนจนถึงอนาคามีแล้วค่อยทําสมาธิฌานทีหลังการปฏิบัติแบบนี้ผิดทางไหมครับก็ผิดแล้วแหละมันต้องสมาธิก่อนถึงจะไปทางปัญญาไนดะ้ถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีกําลังกิเลสมันจะเดึงไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลาต้องหยุดกําลังของสติ การนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการชกกิเลสให้มันนับแปดก่อนะพอนับแปดแล้วทีนี้เราก็ทถลงใส่มันได้อย่างสบายแต่ถ้ามันยังไม่นับแปดนี่มันกำลังมันเยอะดีไม่ดีมันจะทําให้เรานับแปดอย่างถ้าไปเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิเดี๋ยวดีไม่ดีมันหลอกให้เราไปทําในสิ่งที่เราไม่ควรไม่ควรจะทําเอเพราะเราจะไม่มีกําลังสู้มันหลอกอื คิดว่าจะฆ่ามันมันกลับมาฆ่าเราได้ให้เราต้องตัดกําลังมันก่อนด้วยการเข้าสมาธิทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วมันจะอ่อนกําลังลงแล้วเราจะมีกําลังมากด้วยแล้วเราก็จะสามารถใช้ปัญญามาฆ่ามันได้ต่อไปจากคุณธนากร น, นะครับการแผ่เมตตากรวดน้ําบทอีกมินาตอนเช้าได้ไหมครับ แต่ตอนไหนก็ได้แต่เป็นการสวดเท่านั้นการแผ่จริงๆต้องพบปะกันถึงจะแผ่เจอใครก็เอาขนมให้เขาเนี่ยแผ่แ เ, เจอใครก็แจกเงินคนละร้อยสองร้อยไปนี่แหละแผ่แล้วนะไม่ใช่มานั่งสวดกวดน้ำมันไม่ได้อะไรหรอกรอ ก, ก็ได้แต่น้ำนั่นเอง ฉะนั้นคนเรามักจะเข้าใจผิดว่าการแผ่เมตตาก็คือการนั่งเวลานั่งไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็แผ่เมตตาอันนั้นมันไม่ได้แผ่มันเป็นการสวดเป็นการสอนใจเตือนใจให้รู้ว่าเราต้องแผ่เมตตาเวลาแผ่เมตตาก็ต้องเวลาที่เราพบปะกันเจอกันยิ้มเยยิ้มให้กันถามสารทุกข์สุดิบกันอย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ใช่พอเจอกันก็หน่าบึ่อตึงแล้วแยกเคี่ยวใส่กันฮอันนั้นไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาที่ถูกต้องคําถามสุดคาถามสุดท้ายนะครับจากคุณเพนนะครับลูกพูดก้าวเ้ากับแม่ถือว่าลูกเป็นเจ้ากรรมในเวรของแม่ ห, มมหรอครับไม่หรอกเป็นว่าเราเป็นคนไม่มีความเคารพแม่ไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีความกตัญญูกตวเวทีกับแม่ครับ เราควรที่จะปรับพฤติกรรมของเราควรมองแม่เหมือนกับเป็นครูอาจารย์เป็นผู้หลักเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ไดผ้ผู้ที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ก็คือพ่อแม่ของเราแล้วเราไปพูดบาจ่าก้าวแล้วนี่แสดงว่าเรานี่แย่มากไม่มีความเคารพไม่มีความเคารพไม่มีความเกรงใจในบุคคลที่มีพระคุณกับเราเลยวันแล้วใช่ไหมโอเค